สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสันตร้อยเฟมร้ข้าพเจ้าพร ะ, ระมหาพัยบุญอภิภูนนอกมากกปกติทรามผู้ฟังแต่ลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธนั้นก็จะนําเรื่องราวที่เป็นคําสอนที่มาในธรรมบทเพราประเจ้าเนี่ยบางทีก็ได้ตรัสคําที่เป็นคํากลอนเป็นคําร้อยกรองที่เป็นลักษณะเหมือนอย่างกลอน8หรือกลอนโครงสี่สุภาพพวกนี้นี่คือในภาษาไทย เราจะมีกรรไกโครงสสุภาพคําชั้นอะไรต่างๆในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคํากรร อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคําร้อยกรองใบางีพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถานี้ขึ้นมาแต่ซึ่งก็จะมีนิทานที่เขาได้แต่งขึ้นบ้างหรือว่าเป็นเรื่องจริงบ้างที่มาประกอบกับคาถาต่างๆเหล่านั้นทําไมพระพุทธเจ้าถึงแต่งกรนบทนี้ขึ้นทําไมถึงได้ตรัสไวอ้อย่างนี้อย่างนี้ จะมีเหตุปราโรคมาจากเรื่องอะไรอะไรอันนี้ก็มีแต่คำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือเรื่องว่าอะโกเทนะชีเนโกตังคือแปลว่าปึงชนะคนโกรธเนี่ยด้วยความไม่โกรธคนเขาโกรธมาเราก็อยากโกรธตอบแต่เรื่องนี้ก็มีตัวอย่าง น, นี้ตาลดำบ ท, ที่เขายกมาให้ฟังนะก็เป็นเรื่องของอุบาสิกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าอุตราแต่ได้ ทำความไม่โกรธตอบกับอุบาสิกาคนหนึ่งที่ชื่อว่านางสิริมาในเรื่องของนางสิริมากำนางอุตรานี้แต่ก็มีตอนต่อไปอีกแต่วันนี้ขราพระชาให้ฟั้นผู้ฟังได้ฟังตอนแรกก่อนเป็นเรื่องของนางอุตราที่เอาชนะความโกรธได้อย่างไรและในภายหลังนางสิริมาเองก็มีความเข้าใจในคำสอนของพุทธามากขึ้นแลวก็เป็นผู้ที่เข้ามาสู่กระแสขามาสูรดางล่ะ แล้วมาฟังเรื่องของนางอุตราที่สามารถเอาชนะความโกรธได้เรื่องอุตราอุบาสิกาอนุบุพิคถ า, าในเรื่องของนางอุตราอุบาสิกานั้นดังต่อไปนี้ได้ยินว่าคนขันสนชื่อปุณณนะอาศัยสุมาณเศรษฐีรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชกฤห์ ในเรือนของเขามีคนสองคนเท่านั้นคือภรรยาของเขาคนหนึ่งธิดาชื่อนางอุตราคนหนึ่งต่อมาวันหนึ่งพวกราชบริษทําการโฆษณาในกรุงราชกฤหว่าชาวพระนครพึงเล่นนักสกัตย์กันตลอดเจดวันดนังนี้สุมนะเศรษฐีได้ยินคำโฆษณานั้นแล้วจึงเรียกนายบุญ น, นะ ผู้มาแต่เช้าตรู่แล้วกล่าวว่าพอ่อบริวารอื่นๆของฉันประสงค์จะเล่นนักษัตริย์กันแกจะเล่นนักษัตริย์กับเขาหรือหรือว่าจะทําการรับจ้างเล่านายปุนะข้าแต่นายชื่อว่าการเล่นนักขัตย่อมเป็นของพวกท่านผู้มีทรัพย์ก็ในเรื่องของผมแม่ข้าวสารจะต้มข้าวต้ม เพื่อรับประทานในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมจะต้องการอะไรด้วยนักสัตย์เล่าผมเมื่อได้โคแล้วก็จะไปไถยหนา้าสุนาเสษฐีก็ถ้าฉะนั้นแกจงรับโคไปเถิดเขาจึงได้รับโคตัวทรงกำลังและถ่ายแล้วพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญชาววรณครเขาเล่นนักสัตย์กัน แต่ฉันต้องไปทำการรับจ้างเพราะความที่เราเป็นคนจนวันนี้เจ้าพึงต้มผักสากสองเท่าแล้วนำพัดไปให้เราก่อนแลไนปุณณนะจึงได้ไปนาตอนพระสารีบุตรเทระไปสงเคราะห์ไนปุณณนะก็ในกาลนั้นท่านพระสารีบุตรเทระเข้านิโรสมาบัติตลอดเจ็ดวันแล้ว ในวันนั้นออกแล้วตรวจ ด, ดูว่าวันนี้เราควรทำความสงเคราะห์แกใครน้อแลท่านพระสารีบุตรได้เห็นนายปุณณนะซึ่งเข้าไปในกายคือญาณของตนแล้วจึงตรวจ ด, ดูว่านปุณณะ น, น, น, นี้มีศรัทธาหรือหนอเขาจะอาจทำการสงเคราะห์แกเราหรือไม่หนอและได้ทราบความที่เขามีศรัทธา มีความสามารถจะทำการทรงเคราะห์ได้และเขาจะได้รับสมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นเป็นปัจจัยแล้วจึงถือบาทและจีวรไปยังที่ไถนาของเขาได้ยืนแลดูผู้ไม้ที่ริมบอ่อนายบุญนาเห็นพระเทราชแล้วจึงวางไถไหว้พระเทระด้วยเป็นจางขประดิษฐ์แล้วคิดว่า พระเทระคงจะต้องการไม้สีฟันนายปุณนณะจะึงได้ทำไม้สีฟันให้เป็นกับปยะถวายแล้วลำดับนั้นพระเทระได้นำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำออกมาให้เขาเขาคิดว่าพระเทระจะมีความต้องการด้วยน้ำดื่มจึงถือเอาบาตรและผ้ากรองน้ำนั้นแล้วได้กรองน้ำดื่มถวาย พระเตระคิดว่าข้าหนปุณณา น, นี้อยู่เรือนหลังท้ายของชนเราอื่นถ้าเราจะไปสู่เรือนของเขาภรยาของนายปุณณานี้จะไม่ได้เห็นเราเราจะต้องอยู่นะที่นี้แหละจนกว่าภรยาของเขาจะเดินทางนำพัดมาให้เราพระเตระจึงได้ยังเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อยนะที่นั่นเอง ทราบความที่ปริยาของนายปุณณะนั้นเดินทางแล้วซึ่งเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนครตอนปริยานายปุณณนะถวายพัดแก่พระเทระนางได้พบพระเทระในระบาต่างแล้วคิดว่า mm hmm. ก็บางคราวเมื่อมีไตรธรรมเราก็ไม่ได้พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราว เมื่อเราพบพระผู้เป็นเจ้าแตยธรรมก็ไม่มีกวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งแตยธรรมก็มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจะทำความอนุเคราะห์แก่เราหรือหน่อแลหนังนี้นางจึงวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหวพระเถระด้วยเบญจังคระระดิดแล้วกล่าวว่า ท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่าอาหารนี้เศร้าหมองหรือประณีตจงทําความสงเคราะห์แก่ทาตของพระผู้เป็นเจ้าเิดในที่นั้นพระเถระจึงน้อมบาทเข้าไปเมื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองพาชนะอีกข้างหนึ่งถวายพัดอยู่เมื่อถวายไปได้ครึ่งหนึ่งพระเถระจึงเอามือปิดบาด้ดยพูดว่า แล้วนางจึงได้กล่าวว่าพระกุณเจ้าอาหารส่วนเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่อาจทำให้เป็นสองส่วนได้พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องทําความสงเคราะห์แก่ทาตของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้แต่จงทําความสงเคราะห์ในพระโลกเถิดดิฉันประสงค์จะถวายไม่ให้เหลือเศษเลยเดืนนี้แล้วนางนั้นจึงได้ใส่พัด ทั้งหมดลงในบาทของพระเทระแล้วทำความปรารถนาว่าขอที่ฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วนั่นแหละดังนี้แล้วพระเทระจึงได้กล่าวว่าขอจงสาเร็จอย่างนั้นเถิดยืนอยู่ที่นั่นแหละทำการอนุโมทนาแล้วพระเทระได้นั่งทำภัตกิจนะที่สะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่ง ฝ่ายนางกลับไปหาข้าวสารหุงเป็นพัดแล้วแมในาปุ่นนะไถยที่ได้ประมาณครึ่งกรีดไม่อาจทนความหิวได้จึงปล่อยโคก็ไปยังร่มไม้แห่งหนึ่งนั่งคอยดูทางอยู่ลำแบบนั้นภระยาของเขาถือพัดเดินไปพอเห็นเขาก็คิดว่า เขาคงถูกความหิวบีบกันนั่งคอยดูเราอยู่แล้วก็เท่าว่าเขาจะคุกคามเราว่าเจ้าช้าเหลือเกินแล้วเอาด้ามปะตักฟาดเรากรรมที่เราทำแล้วจะเป็นของไร้ประโยชน์เราจะต้องชิงบอกแก่เขาก่อนทีเดียวดังนี้แล้วซึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่านายวันนี้ท่านจงทำจิตให้ผ่องใสสักวันหนึ่งเถิด อย่าได้ทำกรรมที่ดิฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ดิฉันนำพัดมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีในระหว่างทางจึงถวายพัดของท่านแก่พระเทรานั้นแล้วไปหูงพัดมาใหม่ท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสเถอดนายเขาจึงได้ถามว่าเจ้าพูดอะไรนะนางผู้เจริญและได้สดับฟังเรื่องนั้น ซ้มอีกแล้วจึงได้พูดกันว่าหน่งผู้เริญเจ้าถวายพัดของเราแก่พระผู้เป็นเจ้าทําความดีแล้วเดียวก็เช้าตรู่วันนี้แม้เราก็ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขามีใจเลื่อมใสเพลิดเพลินต้อยกับนั้นแล้วแต่ว่าเป็นผู้มีกายอ่อนเพลียเพราะได้พัดในเวลาสาย จึงผ้าศีสากบนตักของภรยาแล้วก็หลับไปตอนทานของสามีภรยาอำนวยบนในวันนั้นกลางนั้นที่ที่เขาถ่ยไว้แต่เช้าตรู่ได้เป็นทองคาเนื้อสุกทั้งหมดจนกระทั่งฝุ่นละอองดินตั้งอยู่งดงามดุดดอกกัญกาเขาตื่นขึ้นแลเห็นแล้ว จึงพูดกับภรรยาว่าหนังผู้เริญที่ที่ฉันถ่ายแล้วนั่นปรากฏแก่ฉันเป็นทองคำทั้งหมดเพราะฉันได้พัดสายเกินไปตาจะลายไปกระมังนอแม้ภรรยากองเก่าก็รับรองว่าที่นั่นก็ย่อมปรากฏแม่แก่ดิฉันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาจึงลุกขึ้นไปในที่นั้นจับก้อนหนึ่งตีที่งอนถายแล้วทราบว่า เป็นตองคำจึงคิดว่าโอ้ฐานที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าธรรมะเสนาบดีแสดงผลในวันนี้เองก็เราไม่อาจที่จะซ่อนซับประมาณเท่านี้ไว้ใช้สอยได้นายปุณณะจึงเอาตองคำใส่เต็มถาดข้าวที่ประยา น, นำมาถวายแล้วได้ไปสู่ราชตระกูลมีโอกาส อันพระราชาพระราชท า, านแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาเมื่อพระองค์ตรตาม่าอะไรหรือป้อกเขาจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทวราชที่ที่ข้าโปร่งถ่ายแล้วในวันนี้ทั้งหมดเป็นที่เต็มไปด้วยทองคาทั้งนั้นตั้งอยู่แล้วขอพระองค์ควรจะรับสั่งให้ขนทองคำมาไว้พระราชาก็ท่านเป็นใคร นายปุนณนะข้าพระองค์ชื่อว่าปุนนะพระราชาก็าในวันนี้ท่านทำอะไรเล่านายปุนณนะเช้าตรู่วันนี้ข้าพระองค์ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากแก่พระธรรมเสนาบดีส่วนภรรยาของข้าพระองค์ได้ถวายพัดที่เขานำมาให้ข้าพระองค์แก่พระธรรมเสนาบดีนั้นเหมือนกันพระราชาทรงสรดับ คำนั้นแล้วจึงตรัสว่าพ่อผู้เจริญได้ยินว่าท่านที่ท่านถวายพระธรรมเสนาบดีแสดงวิบากในวันนี้เองแล้วจึงตรัสตามว่าพ่อเราจะทำอย่างไรนายปุณณนะขอพระองค์งส่งเกวียนไปหลายๆพันให้นำทองคำมาเติดพระราชาจึงทรงส่งเกวียนทั้งหลายไปแล้ว ก็เมื่อราชบรุษพูดว่าเป็นของพระราชาถือเอาอยู่ทองคําที่เขาถือเอาแล้วเอาแล้วย่อมเป็นดินอย่างเดิมพวกราชบรุษไปกราบทูลกับพระราชาอันพระงตรัสตามว่าก็พวกเจ้าพูดว่าอย่างไรจึงถือเอาพวกราชบรุษจึงทูลว่าพูดว่าเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์พระราชา ข้อนี้หาใช่ทรัพย์ของเราไม่พวกเจ้าจงไปจงพูดว่าเป็นทรัพย์ของนายปุนนะแล้วถือเอาเธิดพวกราชบรุษจึงได้ทำอย่างนั้นทองคาที่เขาถือเอาแล้วถือเอาแล้วได้เป็นทองคาแท้พวกเขาจึงขนเอาทองคานั้นทั้งหมดมาทำเป็นก่องไว้ที่ทองพระหลานหลวงทองคาทั้งหมดนั้นได้สูงประมาณ แปสองตอนนายปุณณะได้รับตําแหน่งเศรษฐีพระราชาจึงรับสั่งให้ชาวพรรณกรประชุมกันแล้วจึงตรัสถามว่าก็ในพรรณกรนี้ใครมีทองคาถึงเพียงนี้บ้างชาวพรรณกรไม่มีพระเจ้า ข, ข่าพระราชาก็เราควรจะให้อะไรแก่นายปุณณะเล่าชาวพรรณกร ชัดสำหรับเศรษฐีพระชะ้าพระราชาจึงตรัสว่าในปุณนะจงเป็นเศรษฐีชื่อพระหุทนะเศรษฐีแล้วก็ได้พระราชทานชัดสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคการมากมายกระนั้นเขากราบทูลกับพระราชานั้นว่าข้าแต่สมุติเทวราชข้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่น ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ขอพระองค์ได้โปรดประทานที่อยู่แก่ข้ารรพระองค์เถิดพระราชาจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงดูกอไม้นั้นปรากฏอยู่ทางด้านทิศ ท, ทักษิณจงนํากอไม้นั่นออกแล้วให้ช่างทําเรื อ, เอรนเถิดดังนี้แล้วนายปุณณะก็ได้ตรัสบอกที่เรือนของเศรษฐีเก่า ในปุณะได้ให้ช่างทำเรือในที่นั้นโดยสองถึงสบวันเท่านั้นทมเกฮั บ, บะเวสนะมงคลและฉัตรมงคลเป็นงานเดียวกันได้ถวายทานแก่ภิกสุกสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจวันครั้งนั้นพระาศาสดาเมื่อทรงทำอนุโมทนาแก่เขาจึงตรัสอนุบุพี่กถาแล้ว ในการจบธรรมกตาชนทั้งสามคนคือปุณณเศรีหนึ่งภริยาของเก่าหนึ่งนางอุตราผู้เป็นธิดาหนึ่งได้เป็นพระโสดาบันแล้วตอ น, นธิดาปุณณะเสรีได้เป็นภริยาบุตรของสุมนณะเสรฐีในการต่อมาเศรษฐีในกรุงราชกฤช ขอทิดาของบุญนะเศรษฐีให้บุตรของตนนายปุญนะพูดว่าผมให้ไม่ได้เมื่อเศรษฐีในกรุงราชกฤชพูดว่าท่านอย่าทาอย่างนั้นท่านอาศัยฉันอยู่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ตีเดียวจึงได้สมบัติจงให้ธิดาแก่บุตรของฉันเถิดนายบุญนะจึงกล่าวว่าบุตรของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฐิส่วนธิดาของผม หืนห่างจากพระรัตนทั้งสมแล้วไม่อาจเป็นอยู่ได้ผมจึงยกทิดาให้บุตรของท่านไม่ได้เลยก่อนหนรานั้นกุณบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและกระาบดีเป็นต้นเป็นอันมากวิงวอนนายบุญนาวาท่านอย่าทำลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีในกรุงราชจุกระนั้นจงยกทิดาให้บุตรของขาอ่าวเถิด นายพลนะจึงได้รับคำของกุลบุตรเหล่านั้นแล้วได้ยกธิดาให้ในดีถีวันเพ็ญเดือนอาสารหะจำเดิมแต่เวลาไปสู่เรือนตระกูลของสามีแล้วน้าอุตรามิได้เพื่อจะเข้าไปหาภิกษุหรือภิกษุณีหรือเพื่อถวายทานหรือฟังธรรมะเลยเมื่อล่วงไปได้ประมาณสองเดือนครึ่ง ด้วยอาการอย่างนี้นางจึงถามสาวใช้ผู้อยู่ในสำนักว่าเวลานี้ภายในพรรษายังเหลืออีกเท่าไรสาวใช้ยังเหลืออีกครึ่งเดือนคุณแม่นางจึงได้ส่งข่าวไปให้บิดาว่าเหตุไฉนบิดาจึงขังดิฉันไว้ในเรือนเช่นอย่างนี้การที่บิดาทำให้ฉันเป็นคนเสียโฉมและประกาศว่าเป็นทาสีของชนพวกอื่น ยังจะประเสริฐกว่าการที่ยกให้แก่ตระกูลมิฉาติฏฐิเห็นป่านนี้ไม่ประเสริฐเลยตั้งแต่ดิฉันมาแล้วดิฉันไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่างในประเภทบุญมีการพบเห็นภิสูจเป็นต้นเลยลำดับนั้นบิดาของนางให้รู้สึกไม่สบายใจโดยคิดว่าธิดาของเราได้รับทุกหนอจึงได้ส่งรัพย์ไป หนึ่งหมื่นห้าพันกหาปณะนะด้วยสั่งว่าในนครนี้มีหญิงขณิกาชื่อสิริมาเจ้าจงพูดว่าหล่อนจงรับทรัพย์วันละหนึ่งพันกาหาปณะนะแล้วให้นำนางมาด้วยกาหาปณ ะ, ะเหล่านี้ทำให้เป็นนางบำเรอของสามีแล้วส่วนตัวเจ้าจงทาบุญทั้งหลายเถิด นางอุตราจึงให้เชิญนางศิริมามาแล้วพูดว่าสหายเธอจงรับกาปะนะเหล่านี้แล้วบำเรอชายสหายของเธอสักกึ่งเดือนนี้เถิดนางศิริมานั้นรับรองว่าดีละ่ะนางอุตราจึงพานางศิริมาไปสํานักของสามีเมื่อสามีนั้นได้เห็นนางศิริมาแล้วกล่าวว่าอะไรกันนี่ นางอุตราจึงได้บอกว่านายขอให้หญิงสายของที่ฉันบำเรนนายตลอดกึ่งเดือนนี้ส่วนที่ฉันใคร่จัดถวายทานและฟังธรรมตลอดกึ่งเดือนนี้เศรษฐีบุตรเห็นนางมีรูปงามเกิดความศรีหาจึงรับรองว่าดีละตอนนางอุตราได้โอกาสทำบุญ แม่นางอุตราแลนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทเช่าเป็นประมุขว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญขอพระองค์อย่าเสด็จไปที่อื่นพึงรับภิกษาในเรือนนี้แห่งเดียวตลอดกึงเดือนนี้เถิดนางอุตราได้รับคำปฏิญญาของพระาศาสดาแล้วมีใจยินดีว่าปัดนี้นเราจะได้เพื่ออุปถากพระาศาสดา และฟังธรรมตั้งแต่นี้ไปตลอดจนถึงวันมหาปรวรณานางจึงเที่ยวจัดแจงกิจทุกอย่างในโรงครัวใหญ่ว่าพวกท่านจงต้มข้าวต้มอย่างนี้ปรุงนึ่งขนมอย่างนี้ก็ครั้งนั้นสามีของนางมีความคิดว่าก็พรุ่งนี้เป็นวันมหาปรวรณาเขายืนตรงหน้าต่าง บ่ายหน้าไปทางโรงกลัวใหญ่ตรวจดูด้วยคิดว่านางอุตราอันพานนั่นเตี้ยวทําอะไรอยู่หนอแลเซตีบุตรได้เห็นทิดาเศษตีนั้นขมุกขมอมไปด้วยเหงือ่อประด้วยเท่ามอแมแแม่ด้วยฐานและกเมาเที่ยวจัดทาอยู่อย่างนั้นจึงมีความคิดว่าพุทโธหญิงอันพานไม่เสวยสมบัติ มีสิริเช่นนี้ในฐานะเห็นป่านนี้กลับมีจิตยินดีว่าจะได้อุปถากสมณะศรีรษะโลน้นเที่ยวไปได้เศรษฐีบุตรจึงหัวรอดแล้วก็หลบไปเมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแล้วนั่งสิมาซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ของเขาจึงมีความคิดว่าเศรษฐีบุตรนั้นมองดูอะไรน้อแลจึงหัวราะ นางสริมาจึงมองลงใบตาหน้าต่างนั่นแหลเห็นนางอุตราแล้วคิดว่าเศรษฐีบุตรนี้หัวเราะก็ราะเห็นนางคนนี้ความชิดชมของเศรษฐีบุตรนี้คงมีกับด้วยนางนี้เป็นแน่ตอนนางสิริมาหึงนางอุตราเอาเนยใสยเดือดรถดได้ยินว่านางศริมานั้น แม้อยู่เป็นคนนอกในเรือนนั้นตลอดกึ่งเดือนเสวยสมบัตินั้นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงภายนอกได้ทำความสำคัญว่าตัวเองเป็นแม่เจ้าเรือนนางจึงผูอาฆาตในนางอุตราว่าจะต้องยังทุกข์ให้เกิดขึ้นกับมันนางสิฎิมาจึงลงจากประสาทเข้าไปสู่โรงครัวใหญ่เอาทัปีตักเน่ยใส อันเดือดพล่านในที่ทอดขนมแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงไปหาหนางอุตรานางอุตราเห็นหนางสรีมาเดินมาก็แผ่เมตตาไปถึงนางบ่าสหายหญิงของเราทำอุปการะแก่เรามากจั ก, กรวาลนี้แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำนักส่วนกุลของหญิงสายของเราใหญ่มาก ก็เราอาศัยนางนั้นจึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมานั้นเนยใสยนี้จงลวกเราเถิดถ้าไม่มีอย่าให้ได้ลวกเลยเนินนี้แล้วเนยใสยซึ่งเดือดพล่านที่นางสิริมานั้นรดลงเบื้องบนนางอุตรานั้นได้เป็นเหมือนน้ำเย็นและแบบนั้นพวกตาสีของนางอุตรา เห็นนางสิฎิมาผู้ตักเนยใสยให้เต็มทัพพีอีกด้วยเข้าใจว่าเนยใสยนี้คงจะเย็นถือเดินมาอยู่ดังนี้พวกนางทาสีจึงคุก ค, คามนางสิฎิมาว่านางหัวดือ้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรจะรดเนยไสยที่เดือดปล้นบนเจ้าแม่ของพวกเราดังนี้แล้วตาสีเหล่านั้นก็ต่างลุกขึ้นจากที่นี้บ้าง ที่นั้นบ้างใช้มือบ้างเท้าบ้างทุบถีบให้ล้มลงบนพื้นดินนาอุตราไม่สามารถจะห้ามปรามนางทาสีเหล่านั้นได้ที่นั้นนางจึงห้ามทาสีทุกคนที่ยืนคร่อมอยู่ข้างบนนางสิริมานั้นแล้วถามกับนางสิริมาว่าก็เพื่อประสงค์อะไรเธอจึงทำกรรมหนักถึงป่านนี้ดัง น, นี้แล้ว ก็โอวาสนางศตรีมาให้อาบด้วยน้ําอุน่นทาด้วยน้ํำมันที่หุงตั้งหนึ่งรอยครั้งตอนนางศตรีมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตรขาขณะนั้นนางศตรีมานั้นรู้สึกตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้วจึงคิดว่าเรารสเนยใสที่เดือดพล่านลงเบื้องบนนางอุตรานี้ เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามีทํากรรมหนักแล้วนางอุตรานี้ไม่สั่งบังคับพวกทาสีว่าพวกเธอจงจับเขาไว้แต่กลับห้ามพวกนางทาสีทั้งหมดแม้ในเวลาที่ข่มเหงเราได้ทํากรรมที่ควรแก่เราทั้งนั้นก็ถ้าเราไม่ขอให้นางอุตรานี้อดโทษให้ศีรษะของเราจะพึงแตกออกเจ็ดเสียง ดังนี้แล้วนางศิริมาจึงได้มอบลงแทบเท้าของนางอุตรานั้นแล้วกล่าวว่าคุณแม่ขอคุณแม่จงอดโทษให้แก่ดิฉันเถิดนางอุตราดิฉันเป็นทิดาผู้มีบิดาเมื่อบิดาอดโทษให้ก็จะอดโทษให้หนางสริมาคุณแม่ข้อนั้นจงยกไว้เถิด ดิฉันจะให้ท่านปุณณเสตถีผู้บิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วยนาอุตระท่านปุณณนะเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของดิฉันในวัตตะแต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดกล้าวในวิวัตตะอดโทษให้ดิฉันจะอดโทษให้นางศิริมาก็ใครเล่าเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของคุณแม่ ในวิวัตะนาอุตราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางสิริมาดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์นางอุตราฉันจะทำเองพรุ่งนี้พระศาสดาจะทรงพาภิกษุสงเสเดจมาที่นี้เธอจงถือสักการะตามแต่จะได้มาที่นี่ลหละแล้วขอให้พระองค์อดโทษเธอิอตอน นางสิริมาก็ให้พระศาสดาอดโทษนางสิริมาจึงรับคำว่าดีละแล้วได้ลุกขึ้นไปสู่เรือนของตนสร้างญิงบริวารห้าร้อยให้ตระเตรียมคาทริยะและสูบไยยะต่างๆอย่างในวันรุ่งขึ้นก็ถือส ก, การะนั้นมาเรือนของนางอุตราไม่กล้าจะใส่บาทพิษสุ่สง ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงได้ยืนอยู่แล้วนางอุตรารับเอาสิ่งของทั้งหมดนั้นมาจัดแล้วในเวลาเสร็จพัฒกิจนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารมอบลงแทบเบื้องพระบาทของพระาศาสดาพระนั้นพระาศาสดาจึงตรัสถามนางว่าเจ้ามีความปิดอะไรนางสิริมาขคแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็วานนี้หม่อมฉันได้ทำกรรมชื่อนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสหายของหม่อมฉันยังห้ามทาสีซึ่งเบียดเบียนหม่อมฉันได้ทำอุปการะรกแก่หม่อมฉันโดยแท้หม่อมฉันนั้นรู้สึกถึงกุณของนางนี้จึงขอให้นางนี้อดโทษเมื่อเป็นเช่นนั้นนางกล่าวกับหม่อมฉันว่าเมื่อพระองค์ทรงอดโทษให้จึงจะอดโทษให้ พระศัสดาอุตรา่าได้ยินว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นรึอนางตรา่าข้อนั้นอย่างนั้นพระชก้าวันนี้หญิงสหายของหม่อมฉันได้รถเนยสายที่เดือดพล้านบนศีรษะของหม่อมฉันพระศัสดาเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรนางตราหม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่าจักรวาลก็แคบนะัก รมมโลกก็ยังต่ำเกินไปคุณของหญิงสหายของข้าพระองค์เท่านั้นใหญ่เพราะหม่อมฉันอาศัยเขาจึงได้ถวายทานและฟังธรรมทว่าหม่อมฉันมีความโกรธอยู่ตอนน้านี้เนยใสที่เดือดพลาดนี้จงลวกหม่อมฉันเดิดถ้าหาไม่แล้วขออย่าได้ลวกเลยแล้วได้แผ่เมตตาไปยังนาสิริมานี้พระเจ้าค่า ศา ส, สดาจริงตรัสว่าดีละ่ะดีละ่ะนาอุตราการชนะความโกรธอย่างนั้นสมกวรก็ธรรมดาคนมักโกรธพึ่งชนะด้วยความไม่โกรธคนด่าเขาตัดพ้อเขาพึ่งชนะด้วยการไม่ด่าตอบไม่ตัดพ้อตอบคนรนีจัดพึงชนะด้วยการให้ของตนคนมักพูดเท็จพึ่งชนะ ด้วยคำจริงดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระกถาว่าอกโกเทนะชิเนโกตังอสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะัททะริยังทาเนนะซาเจนาลิกวาทิหนังแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดี พึงชนะความตรรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเลวไห ล, หลด้วยคำจริงในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอาโกเทนะคือด้วยความโกรธหมายความว่าบุคคลผู้มักโกรธละพึงเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยความไม่โกรธผู้ไม่ดีคือผู้ไม่เจริญ เป็นผู้บุคคลพึงชนะด้วยความดีผู้ตรณีคือเหนียวแน่นจัดเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยจิตกิสละของของตนคนพูดหล่อแหละอันบุคคลพึงชนะด้วยคมจริงเพราะเหตุนั้นพระศาสดา จ, จึงตรัสอย่างนี้ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้น ในการจบเทศนานันสีมาพร้อมด้วยญาติทั้ง500ตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผลดังนี้แหละเรื่องอุตราอุบาสิกาจบในลักษณะเรื่องราวที่มาในธรรมบทที่ก็จะเป็นนิทานในตัมบูฟัง<ๆ>ก็จะมีส่วนที่เป็นเรื่องที่เริ่มมาก่อนเขาเรียกว่าอนุบุคพิกถาหรือจะเป็นการเท้าความหรือ เรื่องเดิมมาเป็นยังไงอันนี้คือส่วนที่มาจะมาในตอนแรกนะเรื่องราวก็ดําเนินไปจนถึงจุดคลี่แม็กซ์ของเรื่องนะอา จ, จะผ่านตรงนั้นมาหน่อยพระุทธเจ้าธรรมเทศนาอะไรต่างๆไปแล้วแลนะตรงสรุปจบนะก็จะเป็นคาถาซึ่งในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคาถาอยู่หลายคาถาละ่ะแต่คาถาที่จะมาประกอบเรื่องอที่ยกมาในตอนแรกก็จะเป็นอันหนึ่งแล้วก็จะมี ส่วนที่3ก็คือส่วนที่อธิบายบางทีคาถาเนี่ยก็จะเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งก็จะมีส่วนที่เป็นตอนแก้อัดคำว่าแก้อัดเนี่ยก็คือเพิ่มความหมายนะคืออธิบายความว่าในคำคานี้หมายถึงเรื่องอะไรมากขึ้นแต่คือในเรื่องของอุตราเนี่ยก็ให้ท่านบุฟังได้ฟังทั้งเรื่องที่มาในตอนเดิมเรียกอนุบุพิกถาแล้วก็ส่วนที่เป็นการอธิบายเพิ่มเติมความขึ้นมา ในวันพรุ่งนี้จะได้ให้ฟังเรื่องที่ดําเนินต่อไปอีกแต่เป็นเรื่องของนางสิริมาหลังจากที่นางสิริมาเนี่ยได้เป็นผู้ที่เข้ามาถึงกระแสละเดินอยู่ในหนทางที่จะไปสู่นิพพานแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับนางสิริมาซึ่งนางสิริมานี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่เป็นทําหน้าที่เป็นหญิงคณิกาข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องของนางสิริมามาใ ห, ให้ฟังกันต่อไปในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนจเจนถึงบอด